มิเรนปัญหามาขึ้นเรื่มที่สามแล้วเนาะก็ความในมิเรนถปัญหากันที่ห้าอนุมานปัญหาก็คำว่าอนุมานนี่ก็คือการคาาคะเนการกะการคำนวณหรือการตรวจสอบการเช็คเนี่ยนะการตรวจสอบการพิจารณาการใคร่ครวนเลยเรียกว่าอนุมานแต่ว่าเป็นการคิดแบบมีหลักการคิดแบบมีเหตุผล ก็เลยเรียกว่ากลุ่มอนุมานปัญหาคือคาดว่าเผื่อว่าถ้าว่าอะไรประเภทประโยคเราเนี่ยจะขึ้นต้นมาเขาเรียกว่าอนุมานปัญหานี่ก็มาขึ้นพุทธวัครที่หนึ่งนะปัญหาที่หนึ่งชื่อว่าทวินังพุทธานังอนุปัชชนะปัญหาพระเจ้ามิลินได้กราวเปลี่ยนถามพระนาเกษตว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาสิทธิ์ความข้อนี้ไว้ว่าอัฏฐานามีตังพิกเวอนัวกาโซยังเอกิสาโลกัาตุยาเดาเวอรหันโตสัมมาสัมพุทธาอนุปปพังอจริมังอุปปัชยยงเนตังฐานังวิชติสูตรในข้อความพุทธพจน์ที่เป็นบทนี้มีอยู่หลายสูตรด้วยกันในพระไตรปิฎกซึ่งแปลเป็นใจความว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลาย ข้อที่พระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์จะเพ่งบังเกิดในโล ก, กธาตุเดียวกันเกิดพร้อมกันเกิดโดยไม่ก่อนไม่หลังกันอันใดข้อนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสก็แปลว่าฐานะก็แปลว่าเหตุแปลว่าไม่ใช่เหตุโอกาสก็คือเหตุอีกนั่นแหละบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ฐานะนี้หามีไดไ้ก็แปลว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นพร้อมอัน สององค์เนี่ยนะไม่ก่อนกันไม่หลังกันแต่ถ้ากล่าวให้ตามอัตถกถาทั่วไปก็คือถ้าพระบรมสารีริกธาตุยังอยู่แม้เพียงเท่าเมล็ดงาพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็เกิดไม่ได้ก็ถือว่าคนละเขตกันเนี่ยนะคือจะว่าเกิดแบบเกิดซ้ําซ้อนเกิดพร้อมกันสององค์เลยหาเกิดทีละองค์ยังยากอย่างาั้นเถอะอย่าว่าเกิดทีซ้อนสององค์เลยอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วนะเกิดทีละองค์ยังยาก ทีนี้ปัญหาก็มีอยู่ว่าพระคุนเจ้านาเกษตรพระตถาคตแม้ทุกพระองค์เนี่ยเมื่อจะทรงแสดงธรรมพระองค์ก็แสดงโพธิปัจิยธรรม37ประการพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะเมื่อจะตรัสบอกธรรมก็ตรัสบอกอริยสัจสี่ประการพระผู้พระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์เนี่ยเมื่อจะทรงให้สาวกศึกษาก็ทรงให้ศึกษาในศึกษาสาม และเมื่อจะทรงอนุาสากแ ต, ตการตามพร่ำสอนก็ทรงพร่ำสอนในข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความไม่ประมาทอันนี้พูดมามาหาใจความโดยสรุปของคำสอนก่อนที่บอกว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะเมื่อจะแสดงอย่างไรเสียพระองค์ก็แสดงโพธิปัจจยธรรมอันนี้เป็นการแสดงของพระพุทธเจ้าเพราะว่าการจำเนกทำไอการคำว่าแสดงก็คือการจาเนก อันนะเปิดเผยแจกรายละเอียดทุกอย่างจริงๆการแจกรายละเอียดทั้งหมดของพระพุทธเจ้าก็คือแจกโพธิปักธิยธรรม37ประการบางสูตรสอนให้เจริญ ส, สตินซีหรือสอนให้เจริญสติปัฏฐานเป็นสูตรที่เน้นสติเป็นหลักสูตรเหล่าใดที่เน้นสติแปล ว, ว่าสูตรเหล่านั้นเน้นสอนให้สาวกเจริญสติปัฏฐานบางสูตรเน้นเรื่องความเพีย พุทธพจน์เหล่าใดที่กล่าวถึงความเพียรพระสูตรเหล่านั้นแสดงว่าสอนสัมมาประธานเป็นการแสดงเพื่อให้รู้ในยะวิธีการต่างๆของสัมมาประธานบางสูตรเนี่ยนะยกให้เจริญให้มีฉันทะให้มีวิรยิยะให้มีอุสาหะให้มีจิตใจจดจอ่อแล้วก็ให้มีปัญญาการคร่ครวญเพราะว่าบางท่านมีฉันทะหรือมีศรัทธาเป็นอธิบดีนะก็บอกว่าผู้ใดมีฉันทะปฏิบัต โดยที่มีฉันทาเป็นอธิบดีผู้นั้นเรียกว่าผู้มีศรัทธาบางสูตรเน้ น, น, นลักษณะของผู้มีศรัทธาให้เอาศรัทธาเป็นใหญ่ในการปฏิบัติบางพวกให้เน้นเอาวิริยะเป็นเป็นใหญ่ในการปฏิบัติบางพวกให้เอาจิตใจที่มุ่งมั่นเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติบางพวกให้เอาปัญญาเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติเพราะนั้นคือสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงพยายามที่จะแสดงให้สาวกนั้นะ่ะเกิด อ, อิธิบาต หรือเป็นบาตรที่เกิดจะเป็นบาตรที่จะให้บรรลุมรรคผลอิทธิบาทนั้นหมายความว่าถ้าอยู่ระดับโลกิยะเขาเรียกว่าอธิบดีถ้าเป็นโลกุตระเรียกว่าอิทธิบาตแล้วก็ถ้าจะสอนก็สอนให้เจริญอะไรสอนให้เจริญอินทรี่ห้านี่เป็นศรัทธานี้เป็นวิรยิยะนี่เป็นสตินี่เป็นสมาธิและนี้เป็นตัณยินทรี่ถ้าจะสอนหรือจะจำเนกให้พิสดารก็พละห้ากำลังที่เกิดขึ้นแล้วไม่หวั่นไหวเช่นศรัทธาไม่หวั่นไหวในความ ไม่มีศรัทธาวิริยะไม่หวั่นไหวในความเกียรตคร้านสติไม่หวั่นไหวในความประมาทสมาธิไม่หวั่นไหวในความฟุง้งซ่านปัญญาไม่หวั่นไหวในอวิชาก็สอนให้เกิดพละให้เกิดพละให้มีเรี่ยวมีแรงมีภะละมีกําลังทีนี้การสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนให้เจริญ อ, องค์ที่เป็นเหตุให้เกิดการตรัสรู้องค์ที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้ก็คือโพชฌงเพราะพระองค์สอนทั้งหมดก็เพื่อการ ตรัสรู้และเป็นการเดินสายกลางเดินสายตรงตรงต่อการบรรลุมรรคผลในพานหนทางอันนั้นก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเพรนโพธิปัจจะธรรมเรียกว่าเป็นอริยทราบในพระพุทธศาสนาเพัาะพระองค์สอนให้ให้เจริญโพธิปัจขยธรรมบอกโพธิปักจยธรรมถ้าพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้าย่อออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นกลุ่มสัตว์กลุ่มสติปทานกลุ่มสัมมัปิปทานกลุ่มอิทธิบาท กล่มอินทรีย์กลุ่มพระกลุ่มโพ่อชองและกลุ่มองค์มักอันนี้เรียกว่าพูดแบบให้เยอะไว้ก่อน37แต่ถ้าจะพูดถึงองค์ธรรมที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญก็สรรเสริญอะไรสรรเสริญตัวสติสรรเสริญวิริยะสรรเสริญศรัทธาสรรเสริญจิตใจที่ฝักฝ่ายในกุศลสรรเสริญสมาธิสรรเสริญปัญญาสรรเสริญทิฏฐิอันะสรรเสริญสัมมาสังกัปปะเป็นต้นก็คือมีอยู่ไม่กี่องค์ธรรม แต่ว่าสิ่งเหล่านี้จําเป็นต้องเกิดให้บ่อยก็เลยใช้คําว่า mm hmm. พระองค์แสดงธรรมเพราะต้องแสดงมากเรียกว่าใช้พยัญชนะไม่มีประมาณใช้พยัญชนะเป็นต้นเนี่ยไม่มีประมาณเพื่อให้รู้โพธิปักขยธรรมเพื่อให้เจริญโพธิปักขยธรรมมันจากพุทธพจน์เอจากข้อความที่พระเจ้ามิลินเนี่ยนะรวบรวมมาเราก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าแสดงโพธิปัจขยธรรม แล้วเรามีโพธิปัจขยธรรมอะไรบ้างเนี่ยนะก็มาเช็คดูสติปัฏฐานเป็นยังไงสมาบัติฐานเป็นยังไงอิทธิบาทเป็นยังไงอินทรีย์เป็นยังไงพะละเป็นยังไงโพชฌงเป็นยังไงองค์มรรเราเป็นยังไงแต่ละตัวมาไล่ดูว่ามันไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะเพราะคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่นําออกจากทุกทีนี้เมื่อเจริญคุณธรรมเหล่านี้นะเจริญโพธิปัจขยธรรมเพื่ออะไร<ๆ>เพื่อกําหนดรู้ทุกเพื่อละสมุทัยเพื่อทํานิโรธให้แจ้งเนี่ยนะ โพธิปัิญญธรรมนี่แหละอยู่ระดับโสดาปฏิมัคสกธาคาเมมัคอนาคาเมมัคและอรหัตตมัคมันพระองค์จะบอกเนี่ยนะถึงจะแสดงให้เจริญโพธิปัิญญธรรมแต่เป็นการแสดงบอกว่าเจริญโพธิปัิขยธรรมเพื่อกำหนดรู้ทุกทุกบางอย่างกำหนดรู้ด้วยศรัทธาเหนไะทุกบางอย่างกำหนดรู้ด้วยสติปทานทุกบางอย่างกำหนดรู้ด้วยสัมมาปทานแม้ว่าอย่างทุกเกี่ยวกับเรื่องปานาติบาสในกำหนดรู้ให้แบบให้มี เพราะฉะนั้นทุกในแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่ใช้ปัญญาเข้าไปวิจัยอย่างเดียวแต่ให้เจริญศรัทธาให้เจริญสติเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญานั้นถือว่าเป็นอันดับสุดท้ายเพราะฉะนั้นพลที่กําหนดรอบรู้กองทุกเนี่ยนะมันต้องเจริญโพธิปักขยธรรมได้จึงจักกาหนดรู้ทุกได้นี่เน่ ย, นยทีนี้สมุทัยและคุณธรรมที่มละสมุทัยเอาอะไรมาละโพธิปัจขยธรรมเนี่ยเป็นตัวละสมุทยัยแล้ว อารมณ์ของโพธิปัจจะธรรมสูงสุดเลยคืออะไรก็คือพระนิพพานโสดาปฏิมัคคืออะไรก็คือการประชมพร้อมของโพธิปัจจะธรรมสกธาคามิมัค ก, ก็คือการประชมของโพธิปัจขยธรรมอนาคามีมัคตลอดจนถึงอรหัตตมัค ก, ก็คือการรวบรวมประชมโพธิปักจยธรรมนั่นเองงนั้นโพธิปัจจะธรรมที่ประชมกันนั่นแหละเรียกว่าอาริยมัคเนี่ยนะท่านอาริยมัค ระดับโซดาปฏิมกักสกธาคามิมักอนาคามิมักและอระหัตตมักมันพระองค์สอนให้เอ่อขอไปพระองค์สอนหรือแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยทำให้ง่ายในโพธิปัจขยธรรมแต่จริงคิดอีกในหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ยังไงนะพระองค์วิจัยเลือกเฟ้นจนเห็นว่าสิ่งที่เป็นสาระจริงๆเนี่ยที่ควรเจริญให้มีในจิตใจเนี่ยโพธิปัจยธรรมบางสูตรใช้คาว่ารัตนะ คือให้แต่งใจให้เป็นไปกัรัตนะ37ประการเนี่ยถือว่าพระองค์ได้ทําในสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากและขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเจริญเฉยๆไม่รู้อะไรนะรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยนะั้นพระองค์ก็บอกบอกอะไรบอกอริยสัจสี่ประการทีนี้ทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะเจริญโพธิปัจจะธรรมหรือเพื่อแทงตลอดอริยสัจธรรมเนี่ย เป็นไปได้ไหมถ้าล่วงเกินศิกขาสามไม่ได้เพราะการปฏิบัตินั้นก็คือการปฏิบัติไปตามศิกขาสามให้คิดถึงเจริญคุณธรรมเหล่านั้นเป็นไปตามศิกขาสามนั่นเองแล้วพร่ำสอนน่ะพร่ำสอนอยังไงพร่ำสอนว่าการเจริญศิกขาสามต้องทําด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนะการเจริญเหล่านี้ต้องทําด้วยความไม่ประมาทนะคำว่าไม่ประมาทก็แปลว่าอธิศีทที่ยังไม่เกิดก็ทําให้ เกิดขึ้นศีนที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ตั้งมั่นและเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นสมาธิที่ยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ดํารงอยู่และเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดปัญญาที่เกิดแล้วก็ทําให้เจริญงอกงามบริบูรณ์พยบูรยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ตามสอนเลยบอกนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเป็นตน้นก็คือสอนให้ไปอยู่ทําอะไรไปเจริญศีกขาสามไปเจริญโพธิปักจะธรรมเพื่อแทงตลอด อาริยสัทย์ทั้งหลายแสดงว่าเป้าหมายของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ข้อความในหน้าหนึ่งอนุมานปัญหาพุทธวักหนึ่นะถือว่าเป็นสาระสำคัญของคำสอนที่น่ากำหนดจดจำว่าการศึกษาของเราเพื่อสิ่งนี้นะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่พระองค์อยากจะบอกเราพระองค์อยากจ ะ, อ, ะอยากจะโงแสดงให้เราฟังเรื่องโพธิปัธรรมไม่ใช่แสดงอ่าแปว่าคว่าแสดงเนี่ยไม่ใช่ทาให้ดูเฉย แต่เป็นการพูดเพื่อให้สาวกได้รับประโยชน์ฉะนั้นพระองค์บอกไม่ใช่ว่าชี้ให้ดูเฉยๆแต่เป็นการบอกให้ทากิจนะบอกให้ทากิจในอริยสัจทีนี้การศึกษาเนี่ยไม่ใช่สอนให้ได้ยินได้ฟังเฉยๆแต่หมายถึงให้สาวกเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีกขาและการเจริญคุณธรรมเหล่านี้ทำแบบไหนทำด้วยความไม่ประมาททาด้วยความไม่ประมาททาด้วยความไม่เลอเ ร, รมมเป็นต้น ปัญหาก็มีอยู่ว่าพระคุณเจ้านากเกษตรถ้าหากว่าพระตถาคตแม้ทุกพระองค์เนี่ยนะทรงมีคําเทศนาเป็นอย่างเดียวกันมีคําบอกคําสอนเป็นอย่างเดียวกันมีข้อที่พึงศึกษาเป็นอย่างเดียวกันมีคําอนุสาสตร์ตามพร่ำสอนเป็นอย่างเดียวกันไซเพราะฮิไรเนอะพระตถาคตสองพระองค์จะทรงอุบัติในขณะเดียวกันไม่ได้เล่า เอาก็มาสอนเรื่องเดียวกันทำไมมาสอนทีละสององไม่ได้หรือสลับกันสอนก็ได้นะหรือว่าเปลียดเรียกว่าแบง่งโซนกันไปสอนก็ได้ไมันจะได้บรรลุเร็วๆเนีเ่ยนะเพราะอะไรเพราะในโลกนี้เกิดความสว่างแม้เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวอุบัตินี่ขนาดองค์เดียวยังสว่างขนาดนี้ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สองก็มีได้ไซโลกนี้ก็มีอันแต่จะเกิด ครามสว่างสวัยมีแต่สว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะถ้าดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งนะสว่างขนานี้ถ้าสองดวงจะขนาดไหนถ้าเปรียบนะนี่ใช้ใช้หลอดดวงเดียวยังสว่างขนาดนี้ถ้าสองหลอดจะขนาดไหนอย่างเงี้ยก็เราว่าโลกก็จะสว่างด้วยแสงสว่างแห่งพระพุทธเจ้าสองพระองค์อันหนึ่งพระตถาคตสองพระองค์เนี่ยนะเวลาตักเตือนเวนยสัตว์ก็จะทรงตักเตือนได้ง่าย น, นะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยากไม่ต้องลำบากเปลี่ยนวาระการประเทศเนี่ยนะ เวลาที่พระองค์จะทรงพร่ำสอนก็ทรงพร่ำสอนได้โดยง่ายขอท่านจงบอกข้าพเจ้าถึงเหตุผลในข้อที่ว่านี้ น, นะโดยประการที่ข้าพเจ้าจะหายสงสัยเถิดทำไมทําไมน่าจะมาทีสององค์ น, นะเขาก็ปัญหาลักษณะ น, นี้เนี่ยนะก็าย่าว่าแต่มนุษย์เลยนะเทวดาเขาก็คุยกันแบบนี้เหมือนกั น, น, น, นมีอยู่ครั้งหนึ่งเทวดาเขาไปชมกันในเทวสภาวันประวรณ า, า, รรณาเขาก็คุยกันเขาก็คุยกันว่า คือมันมีตอนนั้นเนี่ยนะพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกใหม่ๆเทวดานี่เยอะมากนี้ในเทวดาที่มาประชุมเนี่ยประชุมตั้งแต่ระดับสวรรค์ชั้นจาตุมก็ไปประชุมที่ดาวดึงเทวดาชั้นดาวดึงก็มาประชุมกันเยอะแย ะ, ยะไปหมดเลยทีนี้มันมีเทพพดามใหม่ใหม่องค์ใหม่ๆที่เกิดในดาวดึงเป็นองค์ที่มาจากการประพฤติพรหมจรรย์นในพุทธศาสนา ที่เจริญอธิศีน์อธิจิตอธิปัญญาเมื่อเกิดในเทวดาเนี่ยล้ำเทวดาโดยปกติทั้งโดยรัศมีก็สว่างกว่าบริวารก็มากกว่ายศก็มากกว่ารุ่งเรืองมากกว่าอธิปไตยยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใหญ่กว่าเครียกว่าเทวดาก่อนๆเ น, นี่ยหลบให้หมดเลยว่างั้น เ, เนี่ยคือคเทวดานี่เขาไม่ไม่ไม่วัดกันตามอัมบุสโสว่าอายุมากอายุน้อยนะเขาวัดกันตามรัศมีรัศมีหนึ่งบริวารหนึ่ง อ่ะนะเขาเรียกว่ากําลังแห่งบุญที่นําเกิดข่าวัดกันตรงนั้นพอข่าววัดกันตรงนั้นปั๊บเนี่ยเ ท, ทวดารุ่นก่อนเห็นความน่าอาัศาจรรย์ว่า น, นี่นะพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ดีแท้พระธรรมก็เป็นธรรมดีแท้พระสงฆ์ก็ปฏิบัติดีแท้รู้สิมหมู่เทพใหม่ๆที่ปฏิบัติแล้วรุ่งเรืองในในสวรรค์เนี่ยยังเป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ท้าวส ก, ก่าก็เลยสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงแปลกตาการ ว่าพระองค์นั้นเกิดขึ้นมาในโลกเกิดมาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมากเกิดมาเพื่อกูลเพื่อเกื้อกูลเพือ่ออนุเคราะห์สงเคราะห์แก่โลกช่วยโลก น, นะให้ได้รับประโยชน์ความสุขทั้งหลายท้าวสักากาก็สั่นเสริญพระคุณข้อที่1นึ่งสองสามเสันเสริญ8ข้อเทวดาฟังแล้วก็ปลื้มใจดีใจกันก็บอกแมส พระพุทธเจ้าเกิดมาช่างดีแท้โอ้หนอเป็นไปได้ขอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสมองค์ว่ากันถ้าเกิดขึ้นสมองค์นะเนี่ยโลกธาตุจะสว่างสวัยขนาดไห น, นเออเกิดสี่องค์ก่อนแปลว่าสอนทวีปสี่เลยอยู่กันองค์ละทวีปเลยบอกอีกสองบอกอุย้ยสมองค์ก็เหลือเฟือแล้วว่ากันนะนะสามองค์เลย บาคนหนึ่งก็บอกอู้สอ ง, องค์ก็พอแลว้วท้าวสาก่าก็บอกเป็นตาไม่ได้หรอกสหายว่างั้นนะนะขอให้พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนั่นแหละที่มีอยู่เนี่ยดีแล้วละ่ะขอให้พระองค์เนี่ยอยู่โดยสุขสบายไร้โรคคาพาธประชชนมายุยืนนานจะได้พร่ำสอนสองเคราะห์เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือข้อความอันนี้ก็เป็นอย่างไรซึ่งท้าวสาก่าก็บอกว่าเนี่ยข้อที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ส า, าสองพระองค์เนี่ย จะเพ่งบังเกิดขึ้นในโลกธาตุเดียวกันไม่พร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกันขอไปเกิดพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกันเนี่ยข้อนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสแปลว่าเป็นไปไม่ได้แม้น่าจะเกิดสององค์เหมนกะันอะตอนนั้นท้าวสกกะก็ชี้แจงนี้พระเจ้ามิลินก็ยังเอามาสงสัยว่าถ้าเกิดสององค์น่าจะดีทําไม่ล่ะก็จะได้ช่วยกันไงเนี่ยนะช่วยตักเตือนช่วยกันร่ำสอนเดี๋ยวก็บรลุเนี่ยนะ ก็ยากเหมือนกันนะถ้าทั้งพ่อก็สอนอย่างหนึ่งแม่ก็สอนอย่างหนึ่งกันนะแต่ถ้าเปในทิศทางเดียวกันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะทีนี้ทบทวนมาว่าน่าจะเกิดมาทีละสองสมองค์เป็นต้นจะได้ช่วยๆกันนะจะได้ช่วยๆงานกันพระนากะเกษตรก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิธหมื่นโลกธาตุนี้เป็นที่รองรับพระพุทธเจ้าได้เพียงพระองค์เดียวตลอดหมื่นโลกธาตุนะรองรับพระพุทธเจ้าได้พระองค์เดียว ย่อมรองรับพระคุณของพระตถ า, าคตได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สองพึงอุบัติไซเหมือนโลกาธาตุนี้ก็จะพึงรองรับไม่ไหวจะพึงสั่นไหวโอนเอนคลอนแคลนแหลกกระจายไม่อาจจะถึงความทรงตัวอยู่ได้นะนะ โลกธาตุไม่สามารถที่จะรองรับคุณธรรมได้ขนาดนี้ไม่สามารถที่จะรองรับคุณธรรมได้ขนาดนี้ก็คิดดูว่าผู้ที่สั่งสมบารมีมาตลอด4ี่อสงไขยแสนกับ8อสงไขยแสนกับ16อสงไขยแสนกับเนี่ยนะผู้มีบุญยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาอยู่รวมกันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเพรนันรองรับหลายองค์ไม่ได้หรอกขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าเรือลาหนึ่งคือมีเรืออยู่ลาเดียวเนี่ยนะ อาจจะรองรับบุรุษได้เพียงคนเดียวเมื่อมีบุรุษเพียงคนเดียวขึ้นเรือเรือลำนั้นก็จะเป็นเรือที่แล่นไปในทะเลได้หรือเรือแกรว่าแล่นไปในแม่น้ําใหญ่ๆได้ต่อมามีบุรุษคนที่สองมาถึงเป็นผู้ที่เสมอเหมือนกับบุรุษคนแรกทั้งโดยอายุทั้งโดยวันนะโดยวัยโดยขนาดความอ้วนผอมแปล ว, ว่าน้ําหนักเท่ากันเป๊ะเลยเนี่ยนะแกรวาเรือบรรทุกได้คนเดียวคนที่สองก็มาน้ําหนักเท่ากันีก ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ทุกส่วนบุรุษคนที่สองก็ขึ้นเรือลำนั้นขอถวายพระพรเรือลำนั้นอาจรองรับบุรุษทั้งสองนั้นได้หรือหนอเป็นไปได้ไหมเรือลำน้อยที่นั่งได้คนเดียวขึ้นตั้งสองคนเนี่ยนะพระเจ้ามิลินก็ตอบว่าหาไม่ได้หรอกพระขุณเจ้าเรือลำนั้นจะเพึงสั่นไหวโอนเอนคลอนแคลนแล้วก็แหลกกระจาย ไม่อาจจะถึงความทรงตัวอยู่ได้ย่อมจมน้ําไปบอกจมน้ําแน่ถ้าขึ้นสองคนแนั้นจริงนะใครที่อยู่เรียกว่าบ้านติดน้ำเนี่ยอุปมานี้เข้าใจไม่ยากยนะนะถ้าเคยอยู่ข้ามน้ําข้ามฝากไปข้ามฝากมาใช้เรือเป็นประจำเนี่ยเข้าใจเลยวราะงั้นถ้าขึ้นสององค์เนี่ยจมแน่นอนอซึ่งพระเจ้ามิลินก็ยอมรับว่าเออเรือที่บรรทุกได้แค่คนคนเดียวจะเป็นบรรทุกสองคนได้อย่างไร อุปมาก็เพื่อให้เข้าใจอย่างนั้นพระนาคเกษก็เลยกล่าวว่าขอถวายพระพรอุปมาชันใดอุปมัยก็ฉันนั้นเหมือนกันในมืนโลกธาตุนี้เป็นที่รองรับพระพุทธเจ้าได้เพียงพระองค์เดียวย่อมรองรับพระคุณของพระตถาคตเจ้าได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่สองจะพึงอุบัติได้ไซมืนโลกธาตุนี้จะพึงรองรับไว้ไม่ไหว จะพึงสั่นไว้โอนเอนคลอนแคลนแหลกกระจายไม่อาจจะถึงความทรงตัวอยู่ได้อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะเปรียบเหมือนว่าเรือลำน้อยหมือนโลกธาตุก็เปรียบเหมือนเท่ากับเรือลำน้อยๆเท่านั้นแหละทีนี้พระเจ้ามิเินก็ถามว่าอุปมาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเถอ พระนากษซนบอกขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าบุรุษผู้หนึ่งบริโภคอาหารตราบเท่าที่ต้องการยินดีพอใจเสียจนกระทั่งล้นขึ้นมาถึงคอเก่ดว่าแทบจะกลืนน้ำอีกไม่ได้แล้วกินเต็มที่เลยนะนะมันก็อดอยากมานานแล้วกินจนจุกคอหายเหมือนกัน เสร็จแล้วเขาผู้อิ่มน้ําเต็มที่แล้วผู้อันนะ่ะมีผู้เอาแต่เป็นผู้เอาแต่เสื่องเสริมหมายว่ามันเมาอาหารเนี่ยนะเมาเพลียเลยแหละว่าอาหารไม่ย่อยนะกินถึงคอเนี่ยยังกระไก่งั้นนะนะแต่ว่ามันกินอย่างนั้นก็บอกว่าเอาแต่เสื่องเสริมอยู่ไม่ขาดระยะเกิดคิดว่างอตัวก็ยังไม่ได้ก้มลงก็ไม่ได้มันแข็งทื่อไปหมดเลยแข็งเหมือนท่อนไม้แล้วฉะนั้นถ้าหากว่ายังขืนบริโภคอาหารจํานวนเท่ากันนั้นหละอีก ขอถวายพระพรบุรุษผู้นั้นจะเพึ่งเป็นสุขอยื่หรือหนอกินจนกระว่าเอากินมากินเท่าเดิมอีกเนี่ยนะมันจะทนอยู่ได้ไหมหาไม่ได้พระคุนเจ้าเขาบริโภคอีกครั้งเดียวเท่านั้นก็อาจจะตาย น, นะแค่ครึ่งเดียวนั้นก็ตายแล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปถึงขนาดว่ากินจนหมดนั่นหรอก ขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกันหมื่นโลกธาตุนี้เป็นที่รองรับพระพุทธเจ้าได้เพียงพระองค์เดียวย่อมรองรับพระคุณของพระตถาคตเจ้าได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สองพึงอุบัติไใยหมื่นโลกธาตุนี้จะพึงรองรับไว้ได้ไหวอรองรับไว้ได้ไม่ไหวเอ็นคลอนแคลนแหลกกระจายไม่อาจจะถึงความทรงตัวอยู่ได้ นะทรงไว้ไม่ได้หรอกพระเจ้ามิลินก็ถามว่าพระคุณเจ้าหน้าเกษตแผ่นดินย่อมหวั่นไหวเพราะคุณธรรมที่หนักยิ่งได้เฉลรือ <c oughs> คือไม่น่าเชื่อนะว่าเอเรือเนี่ยนะเออขอไปหมื่นโลกธาตุทําทไมรองรับคุณธรรมไม่ได้ปกติคุณธรรมทั้งหลายก็เบาใช่ไหมปกติคุณธรรมหน้าแหมโลกทั้งหลายน่าจะรองรับคุณธรรมได้ทุกอย่างพระน้าเกษตบอกขอถวายพระพร มีเกวียนอยู่สองเล่มอย่างนะซึ่งแต่ละเล่มก็บรรทุกรัตนะจนเต็มถึงทางด้านหน้าใครียว่าบรรทุกจนเต็มถึงคนนั่งอ่ะนะหมายก็ว่าสุดสุดที่เกวียนเล่มนั้นจะบรรทุกได้บุคคลขนเอารัตนะจากเกวียนเล่มหนึ่งไปเทใส่เกวียนอีกเล่มหนึ่งขอถวายพระพรเกวียนเล่มนั้นอาจรับเอารัตนะแห่งเกวียนทั้งสองเล่มได้หรือหนอพระเจ้ามิลินก็ตอบว่าไม่ได้หรอกพระคุณเจ้า ดมเกวียนนั้นก็จะต้องแตกแม้ซี่กําเกวียนก็จะต้องหักไปแม้กงล้อเกวียนก็จะต้องล้มพักแม้แต่เพลาของเกวียนก็ยังหักหักจริงๆเลยนะถ้าหากว่าบรรทุกเกินเกินกาหนดเกินที่กัดเนี่ยนะขอถวายพระพรเกวียนนั้นย่อมพังเพราะรัตนะที่นักเออที่หนักยิ่งได้ชื่อเ อ, อรัตนะของดีมีค่าทาไมเกวียนยังหักล่ะ จริงเกวียนมันน่าจะรองรับอะไรนะเพชรพลอยเพชรนินจินดาเงินทองของที่มีค่าน่าจะบรรทุกได้ใช่ไหมเอาเพราะของมีค่าเกวียนน่าจะรองรับได้น่าจะได้บอกไม่ได้หรอกว่ากั้นยังไงก็ไม่ได้เกวียนพังแน่พระคุณเจ้าขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปมาอก็ฉันนั้นเหมือนกันแผ่นดินย่อมวันไหวเพราะคุณธรรมที่หนักยิ่งได้คือมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะว่ายาว่าแบบ แบบหมื่นโลกธาตุรองรับคุณธรรมชั้นสูงเลยแม้แต่คนบางคนก็รองรับคุณธรรมชั้นสูงไม่ได้นะอย่างบางคนเนี่ยใจของเขาเนี่ยรองรับศีลไม่ได้ใจของเขาไม่เป็นภาชนะพอที่จะรองรับศีลได้ใจบางคนรองรับสมถะไม่ได้ใจบางคนรองรับวิปัสสนาไม่ได้ใจบางคนรองรับโสดาปฏิมักไม่ได้อย่างกลุ่มอาเหตุกะบุคคลเนี่ยนะเจริญเจริญวิปัสสนาชั้นสูงไม่ได้ยัไง ถ้าฟังทำอะไรทั่วๆไปได้แต่ว่าจะมาเจริญสมถาวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยพื้นฐานความเป็นอเหตุตุกะรองรับคุณธรรมเหล่านั้นไม่ได้สมถาวิปัสสนาเนี่ยนะมักผลอย่างอย่างโซดาปฏิมักเนี่ยฌานหรือมักเนี่ยรองรับพวกเกิดโดยทวิเหตุตุกะบุคคลไม่ได้ จะต้องเป็นติเหตุกับุคคลและเป็นคนที่เรียกว่าไม่เป็นคนอาภาพอัพนะเช่นไม่เป็นนิยตติทฐิมิจฉาทิฐิเป็นต้นคือจึงจะรองรับคุณธรรมได้อย่ามาคิดว่าแหมใจของทุกคนรองรับศีลก็ได้รองรับสมถะก็ได้รองรับวิปัสสนาก็ได้รองรับพุทธคุณก็ได้รองรับธรรมคุณก็ได้รองรับสังคคุณก็ได้รองรับคุณธรรมทั้งหลายได้อย่าไปจะเข้าใจว่าอย่างนั้นจริงๆแล้วรองรับไม่ได้บางคนกุศลจิตเขาเกิดได้แค่สองนาทีเท่านั้น ให้เขาเกิดมากกว่านั้นเดือดร้อนเลยนะเขารับไม่ได้ถึงกุศลจะเป็นสิ่งที่ดีก็จริงแต่เขารองรับไม่ได้อย่างว่านะถ้าเราได้เสื้อผ้าผุผูมาเนี่ยนะเป็นกระเป๋ากางเกงผุผูแล้วเอาเพชรเนี่ยใส่ลงไปจะว่ามันขาดไหมมันรองรับไม่ได้อยู่แล้วเ้าบอกว่าคนไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะรองรับพุทธานุสติไม่ได้รองรับธำมานุสติไม่ได้รองรับสังขานุสติก็ไม่ได้ รองรับศีลานุสติจากานุสติเทวตานุสติไม่ได้รองรับเขาเรียกว่าเป็นภาชนะรองรับที่จะฟังอริยสัจก็ไม่ได้รองรับคุณธรรมคือโพธิปัจจะธรรมก็ไม่ได้อย่าไปคิดว่าแหมทุกคนก็สามารถรองรับคุณธรรมทั้งหลายได้คุณธรรมทั้งหลายท่านบอกว่ารัตนะบางคนมีรัตนาไม่ได้เหมือนกับชาวโลกบางคนมีตังยางไม่ได้เลย เรียว่ามีข้าวของมีตำยศมีตำแหน่งมีอะไรเป็นต้นไม่ได้ฉันใดอย่าคิดว่าคนนี่จะรองรับกุศลธรรมได้ทั้งหมดอยากคิดว่าจะรองรับพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณได้แค่ศึกษายางยางมันได้เขาไม่มีพอเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าภาชนะที่รั่วบอกว่าปีปรั่วนี่รองรับน้ําได้ไหมบรรจุน้ําได้ไหมบอกไม่ได้นะรถยางแตกทุกล้อเนี่วิ่งต่อไปได้ไหมบอกไม่ได้ฉันใดบางคนก็รองรับกุศลธรรมชั้นสูงไม่ได้ฉันนั้น อันอันนี้เป็นความหลากหลายของสัตว์ทั้งหลายแม้กระทั่งว่าเราสังเกตดูง่ายๆบางคนเนี่ยแม้แต่จะกล่าวคำว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธพะควะเป็นต้นว่าไม่ได้อะว่าไม่ได้จริงๆเลยนะแล้วไม่ว่าไม่ว่าต่อต้านคนที่ว่าโดยซ้ําไปอีกรับไม่ได้จริงๆนะรองรับแบบนี้ไม่ได้รองรับอิติปิโสก็ไม่ได้รองรับพภัสุปฏิปันโนพะคะวะโตเป็นต้นรองรับการฟังธรรมแม้แต่สานาทียังไม่ได้เขาไม่มีภาชนะเข้าใจเขาไม่เป็น ผาชนะเอ า, อางี้หน่อยจะว่าคนอื่นในะพวกเราเองเนี่ยจะรับได้กี่นาทีใช่เอาเอาลองคืนนี้สมมติคืนนี้จะไม่หลับและจะเจริญคุตคุณทำมาคุณสังกคุณใหม่มันทั้งคืนน่ยนะรองรับได้กี่ชั่วโมงเนาะเนี่ยนะชั่วโงที่เหลือรับไม่ได้แล้วรั่วมหมดละเนี่ยนะอระหังไปงเงียบวุ้บมาไปนะตื่นึ้นมาพุดโธต่อเนี่ยนะวุ้บไปเอกเนี่ยนะกว่าจะได้แม้แต่ละคำเนี่ยปฏิติประต่อไม่ค่อยติดถามว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยภาชนะไม่คู่ควรที่จะรองรับ รรองรับคุณธรรมคือสมถะและวิปัสสนามันต้องพยายามชำระจิตให้คู่ควรแก่การรองรับพระธรรมนี่ขนาดใจของเราจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะรองรับคุณธรรมก็ไม่ใช่อย่างง่ายแล้วก็ฉันใดก็ดีหมื่นโลกธาตุเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรองรับพระพุทธคุณได้ฉันนั้นเนี่ยนะ ก็บอกว่าแม้กระทั่งว่าพระองค์เนี่ยมีอรหันตคุณเป็นต้นเนี่ยนะที่จริงน่าจะดีใช่ัหมโลกธาตุน่าจะรองรับได้แต่กลับบอกรองรับไม่ได้ขอถวายพระพรอีกในหนึ่งเหตุผลที่จะกล่าวดังต่อไปนี้เป็นข้อที่อาตมาภาพขอรวบรวมเอามาเพื่อจะแสดงพระพลานุภาพของพระพุทธเจ้าพระคือกำลังกาลังที่เป็นอนุภาพของพระพุทธเจ้าที่รวบรวมเอามา ขอพระองค์จงสดับเหตุผลที่งดงามอย่างยิ่งแม้ข้อหนึ่งแม้อีกข้อหนึ่งนนะจะบรรยายเหตุผลให้ฟังว่าเหตุผลหลักที่มื่นโล ก, กธาตุรองรับพระพุทธเจ้าไม่ได้หรื อ, อเหตุผลอีกประการอื่นๆในยะอื่นๆที่โล ก, กธาตุนี้เกิดมามีพระพุทธเจ้าได้เพียงพระองค์เดียวบรรดาเหตุผลทั้งหลายที่ ที่จะกล่าวต่อไปนั้นเล่าเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์เนี่ยจะพึงอุบัติในขณะเดียวกันไม่ได้มีเหตุผลอยู่ว่าถ้าหากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์พึงอุบัติขณะเดียวกันแล้วไซขณะเดียวกันเวลาเดียวกันพร้อมกันเนี่ยนะบริษัทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์นั้นก็จะพึงเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะ คือคือคำว่าบริษัทหมายคำว่าพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่ยังเป็นปุถุชนทั้งหลายทะเลาะกอันแน่ ขนาดว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวบางทียังทะเลาะกันเนี่ยนะจากถ้าพระพุทธเจ้าหลายองค์จะขนาดไหนตอนนี้มัน <German> กี่นิกายเข้าไปแล้วเนี่ยในี้องค์เดียวนั่นเนี่ยแต่สององค์ขึ้นมาเนี่ยจะขนาดไหนทะเลาะพระพุทธเจ้าองค์นี้ว่าอย่างนี้ไม่พระพุทธเจ้าองค์โน้นว่าอย่างโน้นนี่ขนาดมาจากแหล่งเดียวกันต้นกําเนิดเดียวกันพุทธพจน์พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันบําเพ็ญบารมีมาตรัสรู้ที่เดียวกันเอางี้นีไปต้นโพนี่เห็นชัดเลย ที่นั่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่เดียวกันเชื่อไหมอยากไปคิดนะว่าพระพุทธเจ้าแต่ละคนที่เข้าไปว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งเดียวกันถ้าเอาทุกคนมานั่งคิดบอกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนี้ใช่ไหมบอกใช่แล้วมานั่งคุยกันว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเ <c oughs> ชื่อร้อยทั้งร้อยเนี่ยตอบเหมือนกันเว้นไว้แต่ไปกลุ่มเดียวกันนะนะอาจจะตอบเหมือนกันในเบื้องต้นแต่พอลงรายละเอียดแล้วคนละเรื่องหมดละคนละงานหมดละแต่ว่าโดยมากเป็นอย่างนั้นเพ่าะอะไรเพราะว่า มันเป็นมันเป็นอย่างนี้จริงๆขนาดองค์เดียวกันนะอย่างอย่างนี้ถ้าสององค์ขึ้น <c oughs> มาล่ะนะเขมานั่งถกกันว่าพระพุทธเจ้าของแกพระพุทธเจ้าของฉันเนี่ยเราเดือดร้อนนะคะแนนเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าทะเลาะว่าพระพุทธเจ้าของพวกท่านพระพุทธเจ้าของพวกเราก็จะมีได้ก็จะเกิดเป็นแตกเป็นสองฝ่ายพระธรรมของท่านพระธรรมของเราพระสงฆ์ของท่านพระสงฆ์ของเราพวกของท่านพวกของเราเนี่ยนะ ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบริษัทของอามาที่มีกําลังเท่าๆกันสองคนเพิ่งเกิดการทะเลาะวิวาทกันว่าอามาทของพวกท่านอามาทของพวกเราอะเรียกว่าอะไรนะเด็กของใครกันน่นนะบริษัทเดียวกันเนี่ยนะแมอนี้เด็กนายนี่ไม่ใช่เด็กนายขนาดนั้นก็ยังแหมมันวุ่นวายเหมือนกนะันระดับล่างเนี่ยเรียกว่าลมล่ามก็แรงเหมือนกันทั้งขนาดว่าพวกกลุ่มผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าผู้ใหญ่มีหลายคนเนี่ยแหมบริวาร น, นี่เอากันหน้าดูเลยนะ ขอถวายพระพรถ้าหากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์ทรงอุบัติในขณะเดียวกันได้ใช่บริษัทของพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์นั้นก็จะพึงเกิดการทะเลวิวาทกันว่าพระพุทธเจ้าของพวกท่านพระพุทธเจ้าของพวกเราดังนี้พระธรรมของพวกท่านพระธรรมของพวกเราพระสงค์ฝ่ายท่านพระสงค์ฝ่ายเราขนาดนี้ก็ยังแบ่งแยกกันไม่มีที่สุดเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นขอถวายพระพร อ, อันนี้ก็จัดว่าเป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งว่าเพราะเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์พึงทรงอุบัติในขณะเดียวกันมิได้คือมันมีข้อเสียอย่างไงว่าถ้าพระพุทธส ม, มุตินะถ้าเกิดพุทธเจ้าเกิดสององค์พระพสาวกฝ่ายนี้ไปดูถูกสาวกฝ่าสาวกของกลุ่มนี้หรือบริษัทกลุ่มนี้ไปด่าพระพุทธเจ้าองค์โน้นหรือสาวกขององค์โน้นบริษัทขององค์โน้นมาด่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ตกนรกทั้งคู่ และก็ไม่เป็นผลดีต่อพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงก็มีเรื่องเล่าเปรียบเทียบเหมือนอย่างว่ามีลูกศิษย์องค์หนึ่งคนหนึ่งนะมีอาจาร์มีอาจารย์องค์หนึ่งมีลูกศิษย์สองคนที่ลูกศิษย์สองคนเนี่ยนะก็ปกติก็อุปถัมภ์อาจารย์ดีมากก็เปลี่ยนกันนวดก็เอนวดก็คือปรสมัยก่อนมาลูกศิษย์นวดอาจารย์นะนะศิษย์ข้างหนึ่งศิษย์คนหนึ่งก็นวดเท้าข้างซ้ายศิษย์องค์หนึ่งก็นวดเท้าข้างขวา ก็นวดกันไปทุกวันทุกวันทุกวันมีอยู่วันหนึ่งเข้ามันเกิดไะเยียบท้าอะไรกันไม่ทราบทะเลาะกันทะเลาะกันมากที่นี้บอกแหมมันมันทะเลาะกันชนนี้เที่มองหน้ากันไม่ติดเออเอาไงดีจะทำให้ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันมันเดือดร้อนสุดสุดเลยเออลูกศิษย์คนนั้นมันมันรักอะไรที่สุดบอกมันรักเท้าอาจารย์เพราะฉะนั้นอีกคนหนึ่งรักเท้าอาจารย์ข้างซ้ายอีกคนหนึ่งก็รักเท้าอาจารย์ข้างขวาเพราะฉะนั้นถ้าจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บใจที่สุดต้องทําลายเท้าข้างที่ลูกศิษย์คนนั้นนวด เลยหาไม้ค้อนอันหนึ่งมาทุบอีคนหนึงทุบกันคนละข้างสรว่าอาจารย์ขาพิการเนี่ยนะพอลุกเสร็์ทะเลาะกันเนี่ยนะคือบางทีขนาดองค์เดียวเนี่ยนะขนาดขาสองข้างนะขนาดคนละข้างนะตอนหลังทะเลาะกันยังตีขาข้างคนละขาเนี่ยนะสรว่าอาจารย์ขาพิการทั้งสองข้างพอเนี่มันก็เป็นอย่างนี้ท่านบริษัทบริวารนี่ก็บอกว่าถ้ไม่มีบุญจริงๆอ่ะดูแลยากนะนะ เพราะอะไรเพราะว่ามันมันก็ทุกสมาคมนะถ้าเจอหน้ากันนะมันไม่ใช่สนทนาเริยสัตว์กันง่ายๆหรอกเจอหน้ากันและสารานิยติธรเนี่ยนะเมตตาวจีกเมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตาวจีกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตามโนกรรมต่อหน้ารับหลังบอกยากตรงกันข้ามเนี่ยนะทุจริตต่อหน้าและรับหลังเนี่ยนะอัคระพยาบาททั้งต่อหน้าและรับหลัง ทั้งเรียกว่าพยาบาทกายกรรมต่อหน้ารับหลังพยาบาทวัจีกรรมต่อหน้ารับหลังพยาบาทมนโนกรรมต่อหน้ารับหลังโอ้ยก็มีแต่ว่าฝ่ายนึงก็เลวก็แล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นเหตุผลหลักนะที่เป็นตะปูตรึงใจเลยว่าไม่เจริญในพระศาสนาอย่างแน่นอนเนี่ยนะเพราะว่าคนที่คอยเพ่งโทษคนอื่นอยู่ห่างจากพระนิพพาน ถึงคนอื่นเขาเลวเราก็ไม่ต้องไปช่วยชดใช้กรรมอะไรเขารอกทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลอยู่แล้วเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องไปอาจเรียกว่าอะไรนะมีพุทธพจน์อยู่อันหนึ่งบอกว่าเพ่งรักษาจิตของตนเถอเนี่ยนะเพราะว่าจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์ก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องคนอื่นเท่าไห ร, หร่ มันก็เป็นอย่างนั้นอย่งๆอันนี้เขายกตัวอย่างในมิลินทปัญหาว่าถ้าพระพุทธเจ้าสององค์เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะพันบริษัทเนี่ยพุทธบริษัทนะขนาดภิกษุกับภิกษุเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันยังทะเลาะ ก, กันเลยภิกษุณีกับภิกษุณีเนี่ยนะยังทะเลาะ ก, กันเลยบอกอย่าว่าถึงภิกษุณีเลยอุบาสิกาก็ทะเลกกาะกันกับอุบาสิกาบางวัดอุบาสิกาเนี่ยนะหรือที่เรียกว่าเมชีอยู่กันหลายๆองค์เนี่ยนะโอ้ยประชุมกันเป็นประจำเลย เพราะอีกฝ่านึงก็มาสอเสียดอีกไฟายหนึ่งอีกฝ่าหนึ่งก็ไปสอเสียดอีกฝ่ายหนึ่งอาประชุม น, นะนะ <c oughs> คือทําไมมันเป็นอย่างนั้นไปนได้เพราะว่าแทนที่จะเจริญสัมมาวาจาก็กลายเป็นเจริญมิจฉาวาจาแทนที่จะเปิดประตูสวรรค์ก็กลับเป็นเปิดประตูอบายเนี่ยนะก็ก็ <c oughs> น่าคิดนวะ่าเออเขาไม่สงสารตัวเองตัวเองหรือยังไงนาะเห็นนะมิจฉาวาจานี่เหมือนปลากินเบ็ดชนะเห็นนะมันเหตุผลแห่งการทะเลาะวิวาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่อง ถ้าพระพุทธเจ้าเกิดสององค์เนี่ยสงครามใหญ่แน่นอเนเลยนะสงครามสาวกเน่ทะเลาะ ก, กันเองเนี่นะขอถวายพระพรมหาบพีศขอพระองค์ทรงสดับเหตุผลที่ยิ่งขึ้นไปแม้อีกข้อหนึ่งที่ว่าเพราะเหตุใดเหตุผลหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสององค์จึงอุบัติในขณะเดียวกันไม่ได้คือคือคอทิบไม่ไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยที่สององค์จะเกิด ขอถวายพระพรถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์ทรงอุบัติในขณะเดียวกันได้ไสคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าหากว่าเกิดสององค์จริ ง, ง, งเหมือนกนเถอะคำที่บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นยอดบุคคลก็ผิดพลาดคือเพราะยอดเนี่ย <c oughs> แปล ว, ว่ามันสูงสุดใช่ไหมเหมือนกับว่า อะไรนะยอดเจดีอ่ะแล้วมันมีแบบคล้ายๆดอกบัวตูมดอกบัวเดียวยอดสูงสุดนะนะมันต้องมีดอกบัวดอกเดียวถ้าเป็นดอกหลายแฉกอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่ละมันก็มีหลายดอกมันก็ไม่ใช่ละ่ะนั่นคำว่ายอดของบุคคลก็ผิดแล้วละ่ะเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมีทั้งสองอ ง, องค์มาคู่เลยนะก็ไม่ใช่บุคคลยอดแล้วอัครอัคระก็คือยอดสุดยอดสูงสุดเลดิศเนี่ยนะหรือคําที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะ เป็นผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าผู้อื่นในการลรองโสหรัฐยิ่งใหญ่กว่าผู้อื่นทั้งหมดในการตรัสรู้ยิ่งใหญ่กว่าผู้อื่นทั้งหมดในการประกาศพระธรรมจักยิ่งใหญ่กว่าผู้อื่นทั้งหมดในการปรินีพานคือเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่หมดเลยเพราะฉะนั้นคําว่าพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่ใช่แล้วเอาก็เหมือนไนองค์นั้นกับองค์นี้เหมือนต่างอะไรกันเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นบุคคลที่ไม่ยิ่งใหญ่ไปเสียแล้วเพราะอะไรเพราะมี คู่เปรียบมีคู่เสมอขณะเดียวกันคําที่บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐที่สุดก็ย่อมไม่ถูกต้องหรือคําที่พูดว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้วิเศษสุดหรือเป็นบุคคลพิเศษที่สุดก็ย่อมไม่ถูกต้องคําที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สูงสุดดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้องคําที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมที่สุดอย่างนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้อง คำที่ว่าพระพุทธเจ้าหาบุคคลผู้เสมอไม่ได้ดังนี้ก็ไม่ถูกต้องคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่บอกว่าหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้เนี่ยก็คือไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ในด้านพระศรีระคุณเนี่ยนะพระศรีระคุณเนี่ยไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในมหาปริศลักษณะเนี่ยอย่างที่เรียกว่ายาวาดดําม เรียกว่า ง, งามล้ำงามเด่นเหนือมนุษย์เลยแม้แต่ขึ้นไปในเทวโลกในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะตอนนั้นทั้งเทวดาทั้งพรหมเป็นต้นรัศมีของพระพุทธเจ้าครอบงำเหล่าเทพพญดาทั้งหมดครอบงำรัศมีของพรหมทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าสององค์มานั่งใกล้กันอะไรจะเกิดขึ้นรัศมีใครกลบใครคะเนี้เพราะฉะนั้นบางทีก็บอกว่าจะกลายเป็นว่าพระองค์ที่บอกว่า หาส์ที่เปรียบมีได้หาผู้เสมอเหมือนมีได้เอาก็กลายเป็นแบบมีบุคคลที่เหมือนในด้านพระรูปด้านพระรสมีหรือว่าบอกว่าอาสาธารณญานพระพุทธเจ้ามีอาสาธารณะยานเช่นมีอินเดียโปรปริยติยานมีอาสยานุสยามยานมีมาหาการุณาน่สมาบัติยาน ยามะกะปาติหาริยยานสพัญยุตยานอนาวรณญายานเหล่านี้เรียกว่าอาสาธารณะไม่ทั่วไปแก่ผู้ใดทั้งนั้นก็กลายเป็นคําที่ผิดไปเพราะว่ามีบุคคลที่มีเหมือนกันต่อไปว่าคําที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่เสมอด้วยบุรุษผู้หาที่เสมอเหมือนไม่ได้ ก็ไม่ถูกต้องคําที่บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่ใครๆหาส่วนเปรียบไม่ได้ก็ย่อมไม่ถูกต้องคําว่าที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลหาผู้อื่นเปรียบเทียบกันไม่ได้ดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้องขอถวายพระพรเหตุผลที่ว่าเพราะเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์จึงทรงอุบัติในขณะเดียวกันไม่ได้แม้ข้อนี้ก็ขอพระองค์ทรงยอมรับตามความเป็นจริงเถิดอันนี้เป็นความจริง เพราะคําที่สรรเสริญพระพุทธเจ้าคือพระองค์เป็นผู้ที่ยอดบุคคลพระองค์เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้วิเศษที่สุดเป็นผู้สูงสุดเป็นผู้ยอดเยี่ยมหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้เสมอด้วยบุรุษที่เรียกว่าอาสมะบุคคลก็คือหาคนที่เสมอไม่ได้พระองค์จะเท่ากับพระพุทธเจ้าในอดีตเท่านั้นพระองค์จะเหมือนกับพระพุทธเจ้าในอนาคตเท่านั้นมันในปัจจุบันนี้พระองค์ไม่เสมอเหมือนผู้ใดทั้งนั้น องเป็นที่เอาใครมาเปรียบไม่ได้เลยเนี่ยนะถ้าคนธรรมดาโดยทั่วไปเนี่ยนะในสัตว์สองเท้าสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สีเท้านะสัตว์มีเท้ามากสัตว์มีสัญญาสัตว์ที่เป็นอสัญญาหรือสัตว์ที่เป็นเนวสัญญานาสัญญาสัตว์มีรูปหรือว่าสัตว์ไม่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่วิเศษสุดผู้สูงสุดพ่อผู้ยอดเยี่ยมหาผู้เสมอไม่ได้ไม่มีใครเปรียบเนี่ยนะมันก็ ขัดกันแล้ใช่ไหมถ้าเกิดขึ้นสององเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณเช่นนั้นในตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่เจริญพุทธานุสติที่จะบอกว่าพระองค์เป็นผู้ที่ยอดบุคคลเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ประเสริฐที่สุดนะผู้วิเศษสุดผู้สูงสุดผู้ยอดเยี่ยมหาผู้เสมอไม่ได้พระองค์เสมอด้วยกันกับพระพุทธเจ้าในอดีตและอนาคตเท่านั้นพระองค์พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่หาใครเปรียบไม่ได้หาผู้อื่น มาเทียบเทียมเท่าทุกเรื่องไม่ได้เลยทั้งพระสรีระคุณและพระพุทธคุณทั้งหลายขอถวายพระพรข้อก็อแลข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นอันนี้เป็นสภาวะปกติแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายเป็นเป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดาที่ที่เกิดขึ้นทีละองค์ทีลองค์ทีละองค์ เพราะเหตรหรือตั้งคําถามว่าทําไมล่ะน่าจะเกิดที่ได้หลายองค์อะนะ่ะเนาะทำไมเกิดทีละองค์ก็ตอบว่าเพราะพระคุณทั้งหลายของพระสัพพันยุพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของยิ่งใหญ่ขอถวายพระพรของที่ยิ่งใหญ่แม้อย่างอื่นในทางโลกก็ยังมีได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นของใหญ่ๆ ใ, ในโลกจริงๆมีอย่างเดียวเช่นแผ่นดินเป็นของยิ่งใหญ่แผ่นดินนั้นก็มีแต่เพียงแผ่นดินเดียว เขาเรียกว่าดินอย่างเดียวเท่านั้นเขาไม่เรียกอย่างอื่นหรอกหรือว่าทะเลก็เป็นของยิ่งใหญ่ทะเลก็เพียงหนึ่งเดียวทะเลก็มีอันเดียวพญาเขาสิเนรุที่รองรับสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะก็มีภูเขาสิเนรุอันเดียวอากาศที่เป็นของใหญ่ก็มีอากาศเพียงหนึ่งเดียวเท้าสักะเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เป็นเพียงหนึ่งเดียว แต่ก็เคยมี น, นะครั้งหนึ่งพระเจ้ามันธา ต, ตุระแต่ก็เป็นมนุษย์นะก็ไม่ใช่เท้าสักกะนั้นเท้าสักกะเกิดทีละองค์เท่านั้นพญามารผู้ยิ่งใหญ่ก็มีแต่เพียงองค์เดียวเท้ามหาพรหมเนี่ยนะที่ยิ่งใหญ่ก็มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นพระพันพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นในโลก พระตถาคตทั้งหลายเหล่านั้นทรงอุบัติในสถานที่ใดก็ได้ก็ตามคือเมื่อพระตถาคตพระองค์หนึ่งทรงอุบัติแล้วณนะสถานที่นั้นย่อมหาโอกาสสําหรับพระตถาคตพระองค์อื่นอีกมิได้เหมือนเก้าอี้ใหญ่ที่นั่งได้คนเดียวเนี่ยแล้วก็ตําแหน่งเดียวเนี่ยนะไปนั่งทีละสองคนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมันก็นั่งไม่ได้อยู่แล้วล่ะก็นั่งได้ทีละคนนะนะขอถวายพระพรพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอุบัติในโลกได้เพียง พระองค์เดียวเท่านั้นด้วยเหตุผลไร้ ล, ล้อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเกิดได้ทีละองค์เท่านั้นพระเจ้ามิลินก็ยอมรับว่าพระคุณเจ้าน่าเกษนท่านตอบปัญหามีอุปมามีเหตุผลดีแล้วก็คืออธิบายได้ชัดเจนนะว่าถ้าเกิดขึ้นสององค์เนี่ยไม่ใช่เป็นข้อดีเลยแล้วก็เป็นข้อเสียหายอีกหลายด้านขณะเดียวกันโลกาธาตุก็รองรับได้แต่เพียงพระองค์เดียวก็องค์เดียวนี่นะ ก็สอนก็แล้วก็ฟังทำปฏิบัติตามก็พ อ, อ, อเนี่ยนะเหมือนดวงอาทิตย์ดวงเดียวก็สองสว่างขนาดนี้แล้วสองดวงจะขนาดไหนก็อยู่ไม่ได้นะนะมันร้อนจัดนะนะจริงถ้าดวงขึ้นสองดวงพร้อมกันในโลกนี่เดือดร้อนแน่อันนี้ก็ว่าทีละดวงอดีแล้วฉันใดแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่อย่างไรเสียโดยปกติวิสัยพระพุทธเจ้าก็เกิดทื่อได้ทีละองค์เท่านั้นนะซึ่ง พระนาคเซพระเจ้ามิเรียนก็เชื่อชมว่าคนที่มีปัญญาละเอียดอ่อนมิได้ฟังคําตอบนี้แล้วก็ยังเกิดความพอใจได้ใครรู้คนลวกๆกฟังแล้วยังเห็นด้วยเพรางั้นนะนะจะป่วยกล่าวไปยายถึงคนที่มีปัญญามากเช่นข้าพระเจ้าแล้วนะแหมข้าพระเจ้าไม่เคยคนธรรมดานะฉลาดเช่นข้าพระเจ้ายังไงก็ต้องยอมรับอยู่แล้วละเพราะงั้นดีจริงพระคุณเจ้าข้าพระเจ้าเพราะยอมรับตามคําที่ท่านกล่าวมานี้นะ